จิตของตนท่นี้ใ่ธรรมะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจมาอย่างนั้นการฟังก็เหมือนเป็นฝนเป็นประโยชน์คือการฟังการอบรมธรรมะกาทจิตของตนหฟังทั้งจิตหน่จะใจิตของตนจะรับความเบาสบายทั้งฟังปฏิบัติ ใ, ใส่สั่งเล่นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้มาสอนโลกท่านเลยทำเล่นท่านทุ่นค้าเลยจิตใจริงจังธรรมะที่ได้มาก็เป็นธรรมะดีเดีเกิดจากการที่มีที่ทจริญาเกิดจากความผาคความเทียมเราฟังก่อนมีความผาคความเทียม มีความสังจิตต่งใจอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่สนใจในธรรมะนี่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ได้เจ้าท่านกล่าวว่าเป็นโชคลาภของพวกเรามีทาทิรับรองเลยว่ากิจโชมนุษย์ต่อปีลาโพการเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลโชคลาภอย่างไราเราไมา่ใส่จิพิจไรนาผมไม่ต่าวว่าเป็นโชคลาภเพราะมนุษย์เราเกิดยากลำบากได้มีน้อยคิดดูสัตว์อื่นพวกมดพวกตัวมีจานวนมากไอจอมปลวกหนึ่งหนึ่งคนในประเทศหนึ่งหนึ่งัง ตัวหนึ่งๆในดันมีมากมายขนาดนั้นน อ, อกจากนั้นการเกิดเป็นสัตว์ก็เกิดง่ายปีหนึ่งๆอย่างปาหรือกบเขียดอาจเกิดได้เป็นพันๆตัวในท้องหนึ่งๆแต่มนุษย์เรามนาะอย่างนั้นเกิดยากปีหนึ่งๆอย่างมากกว่าเสียงคนหรือสองคน ก็หายากยิ่งในชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของเกิดยากต้องมีธรรมของมนุษย์แต่จำถึงจะเกิดได้ธรรมของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าฤาษีศาสต์ทั้งหลายเนีสอนเอาไว้วไ ก, ก, ก, กรร็ได้แจกสุนกรกมาบทได้แจกกายยกรรมกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสมคนที่มีธรรมของมนุษย์ คกายกรรมสามกายสุจริตในขาสัตว์ักษาต่อคุณจิตในกลางวิจีตรจริตสีกพวกเราขันก็เคยได้เรียนมาอามโนสุจริตสามก็เคยได้อ่านได้ดูคงจะรู้กันนี่เป็นมนุษย์จะทำคือทำที่จะยังสัตว์นั้นนั้นให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วลืมทำ ของมนุษย์มระเภทไปต่างๆเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์มนุษย์ท่านจริงจัดไว้หลายขั้นหลายภูมิไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวยังแยกแยะออกไปหลายอย่างเป็นมนุษย์โสก็หมายถึงมนุษย์ที่มีทำของมนุษย์มนุนษย์โนตเตเทโวก็หมายถึงพูก ท, ที่มีทำสูงขึ้นไป มีใจอายบากกลัวบากเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ทีวิเศษส่วนมนุษย์สเตโตหมายถึงมนุษย์ที่หิวโหวยในสัญญารมต่างๆตา ก, ก็าดูไม่รู้จะอิ่มจักพอหิวกวฟังไม่รู้จะอิ่มจักพอจมูกลิน้นตายใจ หิวห้ยในสัญญา อ, อารมณ์อ ย, ยู่ทุกการทุกเวลาเหมือนเตะขี่หิวห้อยอาหารจิตในเคยได้รับความสุขความเบิกบานตามสงบมีมนุษย์สติโตเป็นอย่างนั้นมนุษย์สัติละฉาโนก็ไปอีกแบบไม่รู้คิดนึกติดตามเรื่องธรรมะอะไรเกิดมากาัอยู่อย่างนั้นไมได้คิดอ่าน ที่จะสร้างผล ง, งานความดีใส่ตัวข้างตัวมีแต่อยู่แต่กินแต่หลับแต่นอนตามธรรมชาติของสัตว์ทานศีลภาวนาเป็นอย่างไรมนุษย์แบบนั้นในคนใส่จิดที่ตั้งจะหากินหาเล่นหาหลับหานอนเท่านั้นมนุษย์ชนิดนั้นทางทำถัดจัดว่าเป็นมนุษย์ตัดกิริาฉนโง มนุษย์สองจำพวกหมายถึงมนุษย์สเตโตมนุษย์สัติลจิราโนพวกเหล่านี้เป็นอาคัพฆ่าสัตเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ที่ในควรที่จะได้รับความดีทวีคูณขึ้นนี่แต่จะมีความชั่วความเสียเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจของเขาเป็นเปลเป็นสัตว์ส่วนมนุษย์สัวมนุษย์เทโอ เป็นมนุษย์ที่ต้องควรเป็นพระพราชเป็นสัตว์ที่ต้องควรจะตัดสู้มรรคผลได้มนุษย์ท่านแดงออกเป็นสี่จำพวกอย่างนี้มนุษย์สองจำพวกเบื้องต้นมนุษย์โสมนุษย์เตโอเป็นมนุษย์ที่ดีที่เด่นเกิดมาแล้วกอสร้างคุณงามความดีใส่ตัวข้องตัวทวีคูณขึ้น อย่างน้อยก็สร้างบุญสร้างกุศลถึงจิตใจจะหมุนเวียนนีพบชาติต่อไปด้วยอำนาจความดีที่สร้างสมเอาไว้ก็จะได้ไปสู่สุขติตามอำนาจผลของกรรมที่สร้างทำเอาไว้มนุษย์ท่านจึงถือว่าเป็นของสำคัญเป็นโชคลาภของผู้มาเกิด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 เป็น้องกลางให้รจะสร้างสวนสร้างนาสร้างบ้านสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลได้ทั้งนั้นแล้วแต่อยากจะสร้างอะไรกี่นั่นก็เลยกลายเป็นอันนั้นไปทําทน า, าก็ก็ขี่นาเสียทําสวนเขาก็ี่สวนเทียทําโรงเรียนเขาก็เขี่โรงเรียนทําโรงพยาบาลเขาก็ขี่โรงพยาบาลไปสร้างบ้านใส่เขาก็บ้านเสียก็ที่ดินนั้นแหละ มนุษย์เราก็เหมือนกันสามารถที่จะแปลผันไปได้ตามอักตามทำถ้าเรามุ่งมั่นที่จะให้ตัวของเราดีต่างจิตตัางใจให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเทาก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์ถ้าเราไม่ได้สร้างความดีอะไรหาแต่ความชั่วมาใส่กายใส่ใจเทาก็เรียก ่านมนุษย์เป็นอย่างนี้ถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นปิดที่ดีที่เด่นเป็นโชคลาภที่ทุกคนควรสนใจควรสงวนควรรักษาคุณนธรรมของมนุษย์จะไปมองข้าวว่ามนุษย์จปนของไม่ดีไม่มีคุณค่าเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อริยาสาวกทั้งสองและ สาวกทั่วไปที่เป็นพระอรหัสตอรหันต์ที่พวกเราท่านถือเป็นสลาณะในจิตในใจก็ร้วนเป็นมนุษย์ทางนั้นในใจเป็นอันอื่นพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลควรคิดอ่านจะปรับปรุปรงตายใจทองตัวให้ดีวิเศษขึ้นทางที่จะปรับปรุงจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านใส่แงสอนไว้ หลายในหลายประการแล้วแต่จริตนิสัยของใครชอบธรรมะบทใดอย่างไรจะมาปรับปรุงกายใจท้องตนให้ดีเด่นเป็นอาจเป็นธรรมขึ้นถ้าหากมองข้ามในที่นี้ที่จะเรนาเรื่องอายุหรือวันเวลาก็แก่ไปหมดไปได้ไม่ได้อะไรจากการเกิดท้องตน การเกิดมาเป็นมนุษย์จึง เ, เป็นของสําคัญที่ท่านว่าจิตโฉมนุษย์สัจิลาโพเป็นลาภของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดมาติดสังวัจจามาชีวิตต่างชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นของญาของลําบากอันหนึ่งซึ่งเกิดมาเราท่านควรที่นิพพิจนารณาเกิดมารุ่นราวสาวเดียวกัน ที่รมหายตายไปนับไม่ได้ชีวิตของพวกเราทียังอยู่ได้ น, นับว่าเป็นโชคละควรที่จะนำชีวิตสิ่เหลืออยู่นี้สร้างคุณงามความดีให้่าววีคูณขึ้นไม่อย่างนั้นจะอาภาัพอับจนในมีบุญมีกุศลใน่มีวาสนาในมีคุณงามความดีอะไรติดตัวมาชีวิต ทุกคนเกิดมาจะต้องประสบพบโรคไข้ไขเ้เจ็บต่างๆที่จะเป็นอยู่ได้วันหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่ ง, งเป็นของยากเพราะโรคไข้ไขเ้เจ็บในราบิวาจะมาแง่ไหนและจะตายเมื่อไรเพราะความตายในเลือกหน้าวาหเยีงบาดชายวาพระบาดเนมวาอายุแก่อายุอ่อนตายได้ทั้งนั้นการที่มีชีวิตเป็นอยู่ เป็นของที่มีคุณค่าสาระประโยชน์สามารถที่จะทําคุณงานความดีให้เกิดให้มีขึ้นได้อย่างสะดวกสบายคนตายไรคุณค่าจะทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นฉะนั้นที่พวกเรามีชีวิตเป็นอยู่จึงเป็นโชคล่ะผมกล่ว่าจิตสังมัติจารีวิตสังีวิตตามเป็นอยู่เป็นของหาได้ยากเป็นโชคล่ะของทุกทีมีชีวิตเป็นอยู่ สมาี่จะบำเพ็ญีห็นสมาธิปัญญาให้ดีเด่นเห็นแก้งขึ้นอิกชังกระทำมัตตวานางการสะดับรับฟังทำคำสั่งสอนของผู้มีนักป่เป็นท้องยากข้องลำบากไม่ใจ่ข้องง่ายอีกเหมือนกันเพราะนักปาก่าผู้ฉลาดในอัดในธรรมรู้เห็นเป็นจริงมาแนะนคนอื่นหายยาก ธรรมะของท่านก็เป็นของละเอียดอ่อนใน่ใช่ของอยากการจะได้สะดับรับฟังเป็นของอยา ก, กเพราะเหตุว่าพวกเราไม่ค่อยจะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนอ น, นั้นวันเดลานี้อยู่แต่เราก็ไม่ยินดีพอที่จะไปสะดับรับฟังนี่กว่าเป็นของอยากเพราะไม่มีศรัทธาถา้านี้ศรัทธาในจิตในใจ อยากจะไปสะดับรับฟังธรรมะ น, นั่นนั้นแต่เท่าว่าท่านที่เป็นปราศเป็นผู้ฉลาดอบรมบางทีท่านก็ป่วยไข้หรือบางทีท่านก็มีธุรนทุรีอันอื่นเราไปไม่พบท่านหรือพบท่านก็มีมีโอกาสเวลาที่ท่านจะแน้สอนให้นี่ก็เป็นของอยากอันหนึ่งมีศรัทธาแต่ผู้อบรม แม่สอนขาดขันของท่านหรือจิตธุระกของท่านไม่เป็นไปทา่านสอนไม่ได้หรือทางที่จิตของเราก็มีศรัทธาท่านผู้นั้นก็มีโอกาสเดลาแม่สอนให้เราได้สะดับรับฟังแต่การจะเข้าใจในอาจธรรมที่ท่านแสดงไปนั้นก็เป็นข้องยากอีกไม่ใช่ท้องง่ายกว่าจะเข้าใจในอาจธรรมตามเป็นจริงเป็นท้องยาก เข้าใจแล้วจะประพฤติปฏิบัติก็เป็นของยากเพราะขัดข้องเรื่องทิเหลียดตันหามาน่าชี้ิต่างๆไม่อยากจะปฏิบัติหรือปฏิบัติไป จ, จะรู้เห็นเป็นจริงอย่างที่ท่านอธิบายหรือในสดับรับฟังมานั่นก็เป็นของยากอีกจึงว่าจิตฉังศัทธ ร, รมัจวานังเป็นของยากนี่เป็นเรื่องนอก ที่เราจะได้กระดับรับฟังส่วนเรื่องในจิตสังตัดทรมัวกวนังฟังธรรมเกิดจากจิตจากใจของตนจิตใจของพวกเราทุกคนมีธรรมถ้าหากอวบอมถึงข่น้นธรรมจิตใจจะเป็นธรรมตาเห็นหูได้ยินเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะใจิตใจของเราท่านเป็นธรรมธรรมจะต้องพุดขึ้นบอกขึ้น และแน้สอนตัวเองอยู่ทุกระยะเวลาเห็นโดยตาก็เกิดทำในฟังรืยหูก็เกิดทำด้ถูกกลิ่นริมรถอะไรถูกเป็นธรรมทางนั้นนี่คือจิตเป็นธรรมการฟังธรรมจากจิตของตนเป็นธรรมเป็นของยากน้อยหนักหนาที่จะมีผู้ได้สะดับรับฟัง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 สิ่งที่เคยติดข้องที่จาจรณญนาด้วยตัวเองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรก็จะแจงแจ้งชัดเจนและละถอนสิ่งที่ติดข้องต่างๆนีชคือการฟังธรรมจากตัวเองธรรมจะบงบอกว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกโดยไม่มีใครมาตักเตือนแต่ก็ มีธรรมภายในใจตัดเตียนตัวเองการฟังธรรมะภายในคือใจเป็นธรรมะอย่างนี้เป็นของยากย่ากหนักยากหนากว่าที่จะรู้จะเข้าใจจะเป็ียนไปอย่างนั้นมีเรื่องธรรมะที่ว่าเป็นของยากจิตสังขมัตธรรมัรรมมตสวาังการฟังธรรมเป็นของยากแต่หาก คนสมัยปัจจุบันที่จะสนใจกันประพฤตปฏิบัติอักธรรมให้ได้รู้ได้เห็นได้ฟังเหตุตนเองอย่างนั้นมันยาก ท, ทั้งที่มีชีวิตเป็นอยู่ทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่ธรรมะมีอยู่เมื่อไม่สนใจในไม่ไข่คิดไม่ติดตามธรรมะภายในก็ไม่มีวันเวลาที่จะโผล่ขึ้นเห็นขึ้นบ่งบอก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 แห่งผูเป็นของยา้าพระพุทธไส้าสน์เองก่อนที่จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธไส้าสน์แนะนําสร้าสอนโลกลื้อขนสัตว์ออกจากโลกโปรต้องสร้างคุณงามความดีมามากมายไม่ใช่เป็นของอะไ ง, ง่ายพระพุทธไส้าสน์จะเกิดขึ้นในโลกแต่ละกาลแต่ละสมัยเป็นของยา่า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 ทีอาสวงไข่กาไรแสนมหาจักรนับประมาณแสนยา่านานหนักนานหนาถ้าหากเป็นศรัทธาที่กะกว่าส่องแปดอาสวงไข่วิทยาที่กะถึงจหกอาสวงไข่แต่สร้างบา ร, รมีคุณความดีอยู่นั้นกว่าบา ร, รมีจะเต็มรู้เห็นเป็นจริงขึ้นแต่สรู้ด้ยวยตนเองได้แนะนํำทำสอนคนอื่นได้หรือถอนตัดที่ขัดข้อง ในกิเลสตัญหาให้ตกไปเป็นของญาตินี่พุท ธ, ธะภายนอกหรือพุท ธ, ธะนอกจากตัวของเราพุท ธ, ธะภายในหมายถึงใจตี่รู้พุท ธ, ธะหมายถึงผู้รู้พุท ธ, ธะหมายถึงผู้เบิกบานพุท ธ, ธะหมายถึงผู้ตื่นจิตใจของพวกเราทาุกคนถ้าฝึกฝนอบรมธรรมะ ที่นี้พิจารณาอาจทำด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรจริงจังจะเกิดทุกธะภายในขึ้นเมื่อใจที่เคยลุ่มหลงจะรู้จะฉละสามารถทุกสิ่งทุกประการไปใจที่เคยหุกเหี่ยวเศร้าหมองจะเบิกบานทุกการทุกเวลาใจที่เคยหลับ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 รู้ดีชั่วจิตถูกต่างๆก็ อ, อาศัยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทำสอนมาแต่เท่าว่าตั้งแต่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจากผู้รู้คือพุทธภายนอกพุท ธ, ธบุคคลเช่นนั้นตนของตนไหมย่ยนใจปฏิบัติให้เป็นใจให้เห็นแจ้งในตัวพุทธะนั้นก็ ช่วยเหลือตัวของเราให้ดีเด่นวิเศษประเสริฐไม่ได้ถ้าเห็นท่านิริยามารายาตของท่านงามหูงามตาท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรจำเอาไวคค้ไข่จิตเชื่อมั่นในการกระทําทของท่านท่าแนแม่สอนอะไรว่าชั่วควรละว่าตั้งหน้าต่างตา เพิจรปฏิบัติตามท่านผู้นั้นแหละจะเกิดเห็นพุธธาทธะภายในจิตใจของตัวเองผู้ที่เห็นพุธธาทธะภายในแล้วก็ได้ชื่อว่าผู้เห็นพุธธาทธะทั้งสองอย่างคือพระพุท ธ, ธเจ้าถึงท่านจะกรินิพพานไปแล้วกอตามโดยอำนาจการต่อพืปฏิบัติอัรรมในตัวของเรา รู้เห็นเด่นดวงว่าความสุขความสงบเป็นอย่างไรหมายถึงขันขง้นประถมทุกคนที่เกิดมาจิตใจไม่เคยสงบส ง, บสงบัดไม่เคยปฏิบัติอักธรรมหรือปฏิบัติก็ยังไม่เห็นความสงบสงัดของใจไม่เห็นความปล่อยวางของใจไม่เห็นความเบาสบายของใจไม่เห็นความสุขในใจของตัวก็วได้ชื่อว่า เห็นพ <idée> ุทธะภายนอกนั <tête> ้นยังไม่ค่อยอัศจรรย์อะไรต่อเมื่อเห็นพุทธะภายในคือการปฏิบัติอัดทำตามคําแนะนําคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติด้วยกายปฏิบัติด้วยวาจาด้วยใจเพราะท่านสอนเข้ามาในกายในใจเท่านั้นคําสอนแปดหมืนสี่พันไม่ได้สอนออกไปข้างนอกสอนเข้ามาภายใน ถึงทุกคนมีกายมีใจจะต้องเห็นจะต้องเป็นจะต้องปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นเป็นขึ้นขั้นไปถมคือความสุขความสบายก็เชื่อมัน่นหล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงความสุขของอดของธรรมมีจริงเมื่อเชื่อมัน่นและเห็นเป็นในตัวอย่างนั้น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 รู้อยู่ทุกระยะทุกการทุกเวลาตื่นอยู่ใน่มีการหลับหรือความหลงไม่มีอะไรไปควบคุมหุ่มห่อพุทธะดวงนั้นเป็นพุทธะอยู่ทุกการทุกเวลาพุทธะอยู่ทุกอิิยาบทรู้เห็นเด่นอยู่อย่างนั้นนี่คือพุทธะภายใน คือพุทธะในใจของเราเองเมื่อเราเห็นความดีเด่นความหลุดลอยจากสมมุติจากอวิชชาตันหาซึ่งเราไม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาก่อนการปฏิบัติถอดถอนที่เหลือตันหาการละการบำเพ็ญแต่เราศึกษาเราปฏิบัติใหม่ก็มี การดีใจมีการเสียใจในเมื่อความเป็นไปทางอัจทางธรรมเสื่อมเสียใจในเมื่อมันเจริญเราก็ดีใจความดีใจเสียใจเหล่านั้นมันเป็นขั้นสมมติพอเมื่อจิตใจหลึกออกไปความดีใจเสียใจการละการบําเพ็ญไม่มีในความบริสุทธิ์อันนั้น ก็เข้าใจมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่เห็นพระองค์ด้วยตาตัาดีแต่ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้จะให้มันเกิดที่เลียดตันหามาหน้าที่ทจะให้มันหลงมันลืมความเป็นความเห็นอันดีเด่นอันใป่เสืออย่างนั้นไม่มีบริสุทธิ์ พุทธของอยู่ทุกการทุกเวลาการละการบําเพ็ญเป็นสายมรรคส่วนความบริสุทธิ์หมดจดจึงเรียกว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขไม่มีอะไรที่จะไปเยี่ยเหี่ยวพ้อสุขไม่มีสมมติอันใดที่จะไปถึงได้เมื่อจิตใจ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 หมดความลิ้นรนหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียวกว่าเป็นสมนมุตินีสมมติเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจอยู่ในความเป็นความเห็นของเราเลยไมมีอะไรสงสัยนี่เป็นพุธธาทธะภายในพุธธาทธะภายในกวรต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเทวดาอารักษ์อินพรมยมยักษ์ที่ไหนจะมาปฏิบัติให้นี่พวกเราโชคดี ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมีชีวิตเต็นอยู่ได้ระดับรับคงังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอบรมตัวของเราให้เกิดพุท ธ, ธะคือรู้เห็นเด่นขึ้นตามกำลังความสามารถของเราอย่ไปนอนหลับทับผิดว่าเราเป็นคนที่บุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะทำเพื่อปฏิบัติได้อันนั้นเป็นเรื่อง ตัวของเราตัดผินตัวของเราเองให้คะแนนตัวของเราเองเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติตั้งจะเหลือวิสัยไปที่ไหนโดยที่เหลือตัณหาไม่มีกําลังเท่ากับศิลสมาธิตัญญาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติจริงจังที่เหลือตัณหาที่เคย ทีหลังนัง่งคอเรามาจะหลุดลอยออกไปโตกออกไปการประพฤติปฏิบัติจึงต้องควรอย่างยิ่งอย่าไปเห็นว่าเป็นของยากของลำบากการเกิดการตายการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารเป็นของยากของลำบากในราบะาการใดสมัยใดจึงจะได้ออกไปจากทำเกิดความตายเหล่านี้ถ้าหากประพฤติปฏิบัติจริงจังถึงนยากถึงนลำบาก ก็มีวันมีเวลาที่จะง่ายจะสบายจะสะดวกพาไปเห็นรายยากแล้วไปลงมือปรเพื่อปฏิบัติก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะข้ามยากไปได้ทุกมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่ไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์มันก็มีเราก็รู้ดีว่าตัวพวกเรามีทุกควรกาหนดให้รู้ให้เห็นเมื่อเวลาบำเพ็ญคุณงามความดี ทำความผ่าความเทียนทุกย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าผ่าแขันของใครจะต้องมีทุกขประจําอยู่ทางนั้นพอความเทียนเทียนเข้าไปนั่ง น, น, นานๆก็เกิดความเจ็บปวดรวนล้าต่างๆปวดแฉ่งปวดขาปวดหลังปวดเอวมันมีแต่ถ้าไปกลัวทุกแขยงแข่งนี้พอเก็บปวดขึ้นหน่อยก็หลบหนีเมื่อใดเล่าจะสนะทุกได้จะข้นทุกได้ ทุกนี่แหละเราถือว่าเป็นภัยแต่ถ้าไม่มีทุกรเราก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้ข้ามผลทุกทุกนี่แหละเป็นบันไดที่เราจะก้าวขึ้นไปให้ถึงที่อยู่ที่อาศัยให้ถือว่าทุกนี้มันมีอยู่แต่เราจะผ่านทุกไป หมือความต่างใจผาดเปียนพยายามทีนี้พิจรารณาหาทางแก้มันทุกมันอยู่ในใจหรือมันอยู่ในกายโดยส่วนใหญ่ปกติคนธรรมดาไม่ได้พิจรารณาหรือว่าทุกมันอยู่ในกายเพราะไมไ่เคยศึกษาไมไ่เคยพิจารณาจิตไม่เคยปล่อยวางเรื่องทุกมาเห็นทุกตามเป็นจริงทุกของกายนั้นก็มีจริง แต่ไปเป็นใครสําหรับใจถ้าหากมันคือปฏิบัติได้ทุกมันมีเวลาสงบลังอรัมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้พิจารณาให้แยบทายกายที่ว่ามันเป็นทุกข์ตอนที่เรายังไม่นั่งภาวานายังไม่ได้กําหนดอาจทําอะไรทุกส่วนี้มันไปอยู่ที่ไหนเรานั่งก่อนนึกว่า่านนี้แหละเป็น่านสะดวก่านนี้แหละเป็น่านสบายของเรา แต่ว่านั่งนานๆไปทุกข์มันมาจากที่ไหนมันไหลเข้ามาข้างไหนเกิดจากอะไรได้อะไรนี้ขึ้นอีกขากาะขาข้องเก่าแขนกัะแขนข้องเก่าเมื่อหนังเอ็นกระดูกข้องเก่านี่เป็นทางพิจรารณาแก้ไขจิตใจที่ไปผัดขล่องหลงลืมต่างๆเมื่อพิจรนารณาไปว่า เหื่อหนังเอ็นกระดูกเขาไม่ทราบอะไรเขาไม่บอกว่าเขาเป็นทุกข์ปวดเอาเยอะเกินเจ็บเอาเยอะเกินมันจะแตกจะหักอย่างนี้เขาไม่ว่าใจที่ไปติดไปพล่องไปคิดไปปรุงว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหาที่เกิดทุกข์ขึ้นนี่แต่เรื่องของกายมีแต่เรื่องขงองธาตุจริงจังมันไม่สแสดงกิริยาธาทีอะไรจะไปเผาไฟสังดินเขาไม่ว่าอะไรทั้งนั้น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 แต่ถ้าไปกลัวทุกข์พอเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมานิดๆห น, น, น่อยๆปวดทอยเสียก็ไม่เห็นไม่เป็นหนูที่หลังปวดทุกข์ของเก่านั่นแหละจะมาห้ามกัน้นจิตใจไม่ให้ผ่านไปผลที่สุดภาวนากองใครภาวนาเอาทุกข์ไม่ใช่เอาสุขเอาของดีพิเศษอะไรได้เกิดยอดท่อกลัวแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นก็เลยไม่ผ่านทุกไป ทำกันจริงๆอย่าง จ, งจงมันมีขนาดไหนอะไรมันทุกข์อะไรมันตายอะไรมันยังเหลืออยู่เราจะสู้จนสุดจีบสุด ข, ขัน้นเมื่อได้ทุกข์ยังมีในกายในใจเราจะสู้อยู่อย่างนั้นจนเกิดความอัศจรรย์หมดทุกข์หรือไม่อย่างนั้นถ้าหากไม่ชนะกขอให้ตายในการสู้ทุกข์กเถิะ ตั้งมั่นลงไปอย่างภาวนาจะเห็นผลแจ้งประจักษ์ในคนพอเราสู้จริงจริงยัางจังแล้วก็จะมีอุบายปัญญาในเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแต่เราสู้ด้วยวิธีนั้นทำอย่างนั้นทุกข์จึงดับไปนี่ที่ทุกข์เกิดขึ้นก็ได้เชื่อข้าศึกมีมาแล้วเราจะต่อสู้อีกถ้าเราไม่สู้ใช้ชนะก็จะไม่มีสึก เราต้องสู้เอาชนะถ้าตายก่าให้ตายในสงครามอย่าให้เป็ตายที่อื่นจึงได้ชื่อว่านักรบนักสู้ไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นอาจทำพระพุทธเจ้าก็เคยสู้มาแบบนี้สู่ที่ดามานสู่พญามานท่านสู้อย่างไรนางธรณีมาช่วยเหลือพระองค์อะไรเป็นธรณีจิตใจของท่านหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน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 จะทำบาเพ็ญอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องจิตใรลงรวมจะต้องปล่อยวางเรื่องทุกข์ต่างๆหรือเลี่ยงความยึดถือต่างๆถ้าจิตไม่ปล่อยวางหรือลงรวมอย่างนั้นจะอำนาจปัญญาที่เจร่วถึงถึงทุกข์จะมีอยู่ก็ไม่ใช่จิตเช่นแต่สักวาททุกข์ในเด้ารามาพักเข้ากับจิต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 อ ย, อยู่ในวินญ้าอากาศอยู่กับกายกับใจของเราเท่านั้นท่านผู้รู้เห็นเป็นจริงด้วยการกระทําจริงอย่างนี้สามารถอาถารพ์ในเมื่อทุกเกิดขึ้นต่อสู้จริงจังแล้วเห็นผลจริงจังเมื่อคนอื่นหรือผิดญาณุสิทธิ์มาศึกษาภาวนามันทุกอย่างนั้นอย่างนี้จะควปรปฏิบัติไปอย่างไร ถ้าหากท่านเคยกำำระทาบําเพ็ญเห็นรู้จริงจังท่านก็มีอุบายแนะนำคำสอนให้ถ้าหากเราเองเป็นผู้ปฏิบัติไปไม่รอดไปไม่ถึงไปไม่ได้ติดข้องในทุกเขามาศึกษาเข า, าวาณาไปเพียงถึงแก่ทุกเราก็ไม่มีอุบายอะไรสิจะไปบอกไปสอนสอนเพราะเราก็ยังข้ามทุกไปไม่ได้แต่นั้นจงตั้งใจทีพิจารณาจริงจังต่อสู้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 มันจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกนอกทุกในรู้จักทุกของใจและทุกของกายรู้จักนี่ไม่รู้อะไรว่าเป็นทุกใจอะไรเป็นทุกทกายเพราะเราไม่เคยตระเพิดปฏิบัติตามอาจทำให้รู้เห็นเด่นดวงขึ้นก็เลยหลงอยู่อย่างนั้นการปฏิบัติตอยจ้าลํบาบากเพราะใจไม่กล้ า, าหานสู่กันจริงจัง มีโชคลาภของพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่ก็มีมาแล้วอัดําคำสั่งสอนครูอาจารย์เรอยตำหลับตําราก็เคยอ่านเคยฟังกันมาพุท ธ, ธะก็เห็นแต่พุท ธ, ธะภ า, ายนอกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายนอกแต่พระธรรมจริงจังพระสุสงฆ์จริงจังผูกกระเพื่อปฏิบัติเป็นสุ ป, ปฏิปันโนอุสุญายะสามิจิเป็นอย่างไร ในกายในใจของเรามีไหมพุทะความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องความรู้ที่บริสุทธิ์ความรู้ที่เป็นมิมุตหลุดจากโลกเป็นอย่างไรก็เลยม่ประสบพบเหตุถ้าหากเห็นหากเป็นหารู้ภายในตัวแล้วจะไม่มีอะไรทงสงใสตำหรับตำราก็เป็นของจริงไปเห็นอะไรจริงทางนั้นเพราะจิตของตัวจริงถ้าจิตไม่จริงเห็นอะไรก็ฟามไปหมด แต่นั้นจึงฝึกจิตของเราให้จริงอย่าไปคิดว่ามันยากมันลําบากยากนั่นแหละให้ทําถ้ามันง่ายก็ไม่มาเรียนได้ตายเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่กล้าหารคนจะเยียนได้ตายเกิดไปอีกสร้างาหารจริงจังอะไรตายอะไรยังใครทราบในการประพฤติปฏิบัติของคนคนนั้นแหละจะเห็นผลประจักษ์ ในทำคำสอนพระพุทธเจ้าก ว, ว่าเป็นอย่างไรจิตใจบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมีความสุขแค่ไหนกว่าเราเห็นโดยตาของเราได้ยินโดยหูของเราจะไปถามใครอีกการต่อเพื่อปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นขึ้นในใจขอทานองเดียวกันถ้าเห็นโดยตนเองแล้วไม่มีการตงสัยจึงควรต่อเพื่อปฏิบัติเพราะกายมี ใจมีเรามีทุนอยู่แล้วไม่ใช่เราไม่มีทุนอะไรลงมือปฏิบัติจริงจังจะเห็นจะรู้การปฏิบัติจิพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเสียนไม่ใช่ <c oughs> ปฏิบัติเล่นต้องมีสติตามรักษาจิตใจอยู่ทุกระยะทุกเวลา สังวรประทานพื่อการระวังความชั่วต่างๆตาเห็นหูได้ยินหรือจิตใจในึกคิดถ้าหากเป็นความชั่วให้ระวังให้สังวรให้ห้ามกัน้นอย่าให้ไหลเข้ามาสู่ใจทั้งตัวความชั่วความเสียหากไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่ทราบ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 ทางโง่ทางเสียจึงสั้งวรระวังไว้ไม่แห่ใจไม่แห่กายไม่แห่วาจาทําผูดคิดเรื่องความชั่วนี่สังวรแล้วแตทานคือมีความเตียนมีสติระวังรักษาอยู่ทุกระยะทุกเวลาสหารแต่ทานความชั่วที่มีอยู่ในกายท้องตัวในวาจาในใจท้องตัว